ข้อความในอิติวุติกะคุติกาในกายว่าด้วยอัชชาตสูตรนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยไม่ทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วมีอยู่นะครับนี่พูดถึงลักษณะของนิพานนั่นเองว่านิพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดนะครับแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็ปัจจัยไม่ทำแล้วก็ปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่นะครับดูการพิสูจนทั้งหลายถ้าว่าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยไม่ทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วจักไม่ได้มีแล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยนะครับคว่าสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็หมายถึงขัน5ใช่ครับขัน5้าที่เป็นไปในวัตะนี่นะครับถ้าหากว่าไม่มีนิพพานนะ ไอาการเป็นไปในวัฏฏานี้จักไม่มีที่สิ้นสุดเด็ดขาดนะครับแต่เนื่องจากธรรมชาติคือนิพพานมีอยู่นะครับซึ่งเป็นอรมณะปัจจัยของอริยมรรคเนี่ยน ะ, ะธรรมชาติอันนั้นมีอยู่จึงจึงทำที่สุดแห่งแห่งสังขารได้นะครับดูกาทพ่สูจนทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยไม่ทำแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วมีอยู่ ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัตถุมีได้เพราะเนื่องจากมีสภาวะเหล่านี้นี่เองนะครับสังเกตดูนะครับว่าทำบรรยายถึงคำํำอนิพานของทั่วๆไปที่เราได้ยินเนี่ยจะอธิบายเป็นเหมือนกับเมืองเป็นเหมือนกับอาณาจากักรอาณาจักรหนึ่งเหมือนกับดินแดนอีกดินแดนหนึ่งนะครับ แต่ว่านิพานในพระไตรปิฎกนะครับโดยเฉพาะในอิติวุตกะหรือว่าในคภำพูดฐานเป็นต้นนั้นจะพูดถึงสภาวะที่ไม่เกิดไม่เป็นนะครับอันปัจจัยไม่ทําแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นสภาวะของนิพานไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสนะครับไม่ใช่โพธพภะนะครับไม่ใช่อากาสารานจายตนะไม่ใช่สักอย่างเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีวิบากและกรรมชรูปเลยแต่ว่าผู้ที่กล่าวในยุคลงหลังมาจะเน้นถึงเหมือนกับว่ามีวิบากกรรมชรูปไปเสวยอยู่ที่นั่นนะครับเหมือนมีใครไปล่องไปลอยไปไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอยู่ที่นั่นว่างั้นแต่ที่ไหนได้นั่นนะครับเขากำลังคาดคิดให้วิบากกรรมชรูปไปอยู่เสวยผลแบบนั้นนันเป็นเป็นสิ่งที่คาดคิดของคนทามทั้งหลายถามว่าทาไม ทำไมเขาจึงคิดแบบนี้รู้ไหมครับนะครับทำไมเขาจึงคิดว่าน่าจะมีสภาวะอย่างที่ว่าเนี่ยคนที่มีความคิดอย่างนี้เนื่องจากกรรมมกตาไม่ดีนะครับกรรมมกตาไม่ดีพอกรรมมกตาไม่ดีไม่เห็นความเป็นไปในสังสารวัฏอย่างตลอดสายนะครับผมว่าเออัตวานทุ ป, ปาทานเนี่ยเขาน่าจะหูห น, นานแน่นมากครับเพราะว่า แม้แต่จะนิพพานแล้วก็อยากจะให้มีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งซึ่งไปเสวยสุขอยู่ตรงนั้นนี่ครับครับด้วยอนุภาพของอัตตวาทุปาทานซึ่งเป็นบาตรก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าที่สําคัญมากก็คือหนึ่งกรร ม, มสกตาไม่มีถามว่าทำไมจึงไม่มีกรรมมัสกาครับเนื่องจากเขาไม่เคยวิจัยหรือไม่เคยฟังธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างละเอียดโดยท่องแท้เลยนะ ว่า ย, ยกตัวอย่างนะอย่างคุณๆเลยอย่างเช่นหูเนี่ยที่ได้ยินเสียงเนี่ยพอหูกับเสียงนยีตัวหูเนี่ยเกิดจากกรรมในอดีตโสตะวิญญาณนี่เกิดจากกรรมในอดีตนะครับการรับรู้ที่เรียกว่าสัมปติชนนะสันติรณะก็เป็นผลของกรรมในอดีตพอได้ยินเสียงแล้วคิดอะไรอันนั้นทํากรรมใหม่ในบรรดากรรมใหม่นั้นชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าสองถึงหให้ผลในชาติที่สาเป็นต้นไป ทีนี้ย้อนถอยหลังกรรมในอดีตก็ลักษณะเดียวกันเนื่องจากเขาไม่วิจัยว่าสังสารทุกเนี่ยมีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั้นเป็นไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้เสวยกรรมก็ไม่มีแต่กรรมก็ไม่มีในผลผลก็ไม่มีในกรรมต่างฝ่ายเนี่ยว่างจากกันและกันกรรมก็อย่างนึงผลของกรรมก็อย่างหนึ่งแต่ผลของกรรมจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีกรรม เพราะฉะนั้นกรรมนี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีวิบากอาศัยวิบากเป็นปัจจัยเลยทํากรรมใหม่โดยที่มีกิเลสนี่แหละเกิดร่วมกับกรรมเป็นต้นเนี่ยนะเป็นตัวซึมทราบผูกมัดเอาไว้เมื่อไม่พิจารณาอย่างนี้นี่นะครับอันนี้กรรมสกตาไม่มีเมื่อกรรมสกตาไม่มีเนี่ยนะรับที่สัสนะทิฏฐิอุเฉททิฏฐิจะอาศัยตรงนี้มาะนะพวกที่ยืนยันแต่วิบากกรรมมาูปอย่างเดียวนะครับ เป็นผู้ทำกรรมเป็นผู้สเสวยกรรมพวกนี้เป็นสายสัสตตติทิพวกที่บอกว่าไอ้วิบากรรมมาชรูปที่เกิดเนี่ยมันลอยๆนะพวกนี้สายอุเฉท ท, ทิทิสายสัมมาทิฏก็คืออดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเมื่อมีเหตุมีผลเป็นไปอย่างนี้นะครับเหตุคือกรรมผลคือผลของกรรมผลของกรรมกท็ทั้งทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ที่เป็นรูปธรรมก็คือตาหูจมูกลิ้นกายส่วนที่เป็นนามธรรมก็ได้แก่ใจเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณส่วนที่เป็นนามธรรมอันอาศัยรูปรูปธรรมและนามธรรมอันเนี้ยเป็นเหตุแห่งการทํากรรมใหม่ก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะครับทีนี้ไอ้ผลของกรรมเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยเกิดนะเรก่องชาติชรามรณะโศกะเนี่ยนะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตเราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อาศัยผลของกรรม อาศัยผลของกรรมนั่นแหละจึงเจ็บอาศัยผลของกรรมนั่นแหละจึงแก่อาศัยผลของกรรมนั่นแหละจึงตายก็อาศัยผลของกรรมนั่นแหละจึงที่เรียกว่าทุกโทมนันอุปายาตเป็นต้นเนี่ยนะประสบกับของรักพลาดพลาดจากของรักรก็อาศัยเนื่องจากผลของกรรมนั่นแหละพอมีผลของกรรมก็ทํากรรมใหม่ชีวิตในสังสารวัตเป็นไปในลักษณะนี้นะครับทีนี้คนที่ใช้ชีวิตลักษณะว่าจะใช้กรรมให้หมดนะ เมื่อเมื่อบางเจ้านี่นะครับไม่รู้ธรรมะเป็นที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ก็คิดจะใช้กรรมนะคิดจะใช้กรรมทําไงครับทําตัวให้มันทรมานฝึกทรมานตัวไว้เป็นวิธีใช้กรรมเก่ากรรมเก่าที่มีในอดีตมีเท่าไหร่นะฉันจะรับให้หมดเลยและจะไม่ทํากรรมอันใหม่เออนี่วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีชดใช้กรรมให้พ้นเลยอันนี้ก็เป็นลทัทธิอีกลทัทธิหนึ่งที่มีอยู่นะครับในสมัยพุทธกาลก็มี สมัยนี้ก็น่าจะมีด้วยซ้าไปคือรัฐที่ใช้กรรมเก่าแล้วคิดว่าตัวเองจะไม่ทํากรรมใหม่แล้วก็จะพ้นทุกข์ด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้บางรัฐที่บอกว่ามันมีสภาวะอยู่สภาวะหนึ่งคุณทําแบบนี้นะทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าถึงสภาวะอันนั้นซะเมื่อเข้าถึงสภาวะอันนั้นเนี่ยคุณจะพ้นจากไอ้วงไอ้วงจรนี้วงจรกรรมได้ผลของกรรมพวกนี้ไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยก็จะทําตัวให้มันเข้าถึงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนั่นแหะใช่แล้ว ทีนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับคำสอนพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะครับไม่เป็นอย่างนั้นเลยถามว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่ถามว่าไอ้ที่ถูกเป็นยังไงที่ถูกก็คือพระองค์เนี่ยในชั้นต้นให้เห็นว่าไม่มีสัตว์นะมีแต่ขันห้าขันห้าก็มาแบ่งส่วนหนึ่งเป็นกรรมส่วนหนึ่งและผลของกรรมส่วนหนึ่งเป็นเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลไอ้เหตุผลเนี่ยเป็นไปโดยลาดับแบบนี้ เหตุผลที่เป็นไปโดยลำดับประกอบไปด้วยชาติชาราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกขโทมณัสและอุปาญาตเพราะฉะนั้นผลของเหตุเหล่านี้อย่างไรเสียก็สู่ชาราและมรณะเนี่ยนะถามว่ามีสาระไหมในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้<ม>เอาในชั้นต้นเนี่เที่ยงไหมล่ะก<ม>รรมเนี่ยเที่ยงไหมใครจะให้เป็นกรรมไปตลอดหรือให้เป็นวิบากอย่างใดอย่างหนึ่งไปตลอดเนี่ยเป็นไปได้ไหม เช่นวิบากของเทวดาให้เป็นอมตะตลอดไปก็ไม่ได้วิบากของพรมให้เป็นอมตะตลอดไปก็ไม่ได้วิบากกรรมชรูปของมนุษย์ให้เป็นไปตลอดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิบากและกรรมชรูปของสัตว์ในพบใดๆก็ไม่มีจีรังยั่งยืนเพราะเนื่องด้วยเหตุนะครับวิบากและกรรมชรูปเนื่องด้วยเหตุคือกรรมกรรมก็เนื่องด้วยกิเลสเนี่ยนะมันก็เป็นไปอยู่อย่างเงี้ย สังสา ร, รวัติความเป็นไปแห่งสงสารหรือความเป็นไปแห่งสังสารวัตนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีจีรังยั่งยืนอะไรเลยถามว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษไหมเนี่ยนะครับในทั้นพระองค์ก็สอนเลยว่าในบรรดากรรมและผลของกรรมนั้นอะประมวลประมวลแล้วก็คือรูปนามขันธ์ห้าที่เป็นไปตามปัจจัยพระองค์ก็ซักฟอกแล้วว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเนีน่ยนะทีนี้เมื่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะครับเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันขันทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในขันในขันทั้งที่ทเป็นขันที่เป็นเหตุขันที่เป็นผลเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนัดเมื่อคลายกําหนัดจิตก็พ้นจากอุปาทานเพราะไม่ถือมั่นในขันห้าอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าถึงสภาวะที่พ้นจากการยึดถือนั่นเองเพราะฉะนั้นนิพพานนั้นก็พ้นจากอุปาทานทั้งปวงนะครับหรื อ, อเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่บุคคลจะบรรลุได้เมื่อเบื่อหน่าย ในขันห้าอย่างเต็มที่แล้วจึงจะเข้าถึงสภาวะอันนั้นนะครับที่เรียกว่าสภาวะที่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นปจัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วนี่นะครับต้องต้องเห็นขันห้าเนี่ยมันร้อนจริงๆอ่ะนะจึงจะปล่อยได้จริงๆนะครับจึ ง, ะ จ, งจะปล่อยได้นะสำนวน ว, นว่าขันห้าเนี่ยเหมือนงูนะครับเหมือนงูเขาบอกว่า วิธีที่จะปล่อยงูเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าต้องพิจารณาโทษของงูก่อนนะรู้ว่างูแล้วงูเหล่าเนี้มีโทษอย่างไรเป็นต้นแล้วก็แกว่งงูเนี่ยให้มันให้มันหมดพิษนะนะแล้วก็คว้างทิ้งปล่อยแล้วก็วิ่งออกนะนะลักษณะนั้นนะครับเหมือนกับการตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดก็ต้องพิจารณาไอ้รูปนามขันท่าที่เป็นไปในสังสารวัตให้ตลอดสายว่า กรรมในอดีตมาให้ผลในปัจจุบันอย่างไรที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนแล้วกรรมในปัจจุบันที่เราทำเนี่ยมีผลอย่างไรต่อไปในภายภาคหน้าเนี่นะครับเพราะว่าการวิเคราะห์อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการวิเคราะห์อริยสัจ ต, ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะวิบากและกรรมมาชรูปนั้นน่ะเป็นสายทุกขสัจสายทุกขสัจกรรมที่เป็นเหตุให้มีวิบากและกรรมมาชรูปอันนั้นเป็นสมุทยัยสัจเพราะนั้น จะต้องทําปริญญาญากิจในทุกขสัตว์นะครับเพื่อถ่ายทอนสมุทยัทยสัตว์อันนี้ไอกริจที่มาบําเพ็ญนั่นแหละเป็นสายของมรรคสัตว์นะครับที่จะต้องอ บ, บรมกันอย่างมากจริงๆเนี่ยนะครับสำนวนที่เรียกว่าจะต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนว่า ง, งั้นเถอะมามาไข่ครวรมาแพ่งพินิจในสิ่งเหล่านี้อ่า น, นะจึงจะจึงจะเป็นไปได้นะครับอย่างอริยส า, าวกในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับ พอฟังทำคําสอนเหล่านี้เข้าใจแล้วนะครับก็เห็นเลยว่าคารวะาประเพุทธายักนะครับที่จะมาวิจัยอย่างที่ว่าเนี่ยนะเพศคารวะาไม่ใช่ฐานะเลยนะครับที่จะมาวิจัยสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันทุกอย่างมันทําเพื่อบ้านเพื่อเรือนนะะแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ทําไม่ได้ทําเพื่อบ้านเพื่อเรือนอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องบวชเหงือนกันเถอะนะทีนี้บวชมาก็อาศัยที่ว่าประชาชนทั้งหลายมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับใช้ปัจจัยสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้นะครับก็เหมือนกับนักเรียนทุนะนะก็คือใช้ทุนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่นะครับแต่ทีนี้ว่าตอนหลังก็พลาดไปก็มาเที่ยวซะส่วนใหญ่นะครับนะก็เลยสร้างความเสียหายมากก็เลยไม่สามารถที่จะทากิจเหล่านั้นตามคำสอนได้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับ ครั้นได้ตรัสเนื้อความในสูตรนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าธรรมชาติอันเกิดแล้วมีแล้วเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนละคนแล้วด้วยชราและมรณะเป็นรังแห่งโรคผุพังมีอาหารและตันหาเป็นแดนเกิดไม่ควรเพื่อ ย, ยินดีธรรมชาตินั้นนะครับ คือไม่ควรยินดีเลยนะถือทั้งกรรมและผลของกรรมซึ่งหมายถึงขันห้าทั้งหมดเนี่ยนะที่กล่าวไม่ควรยินดีเลยสักอย่างการสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้นเป็นบทอันระงับจะคาดคะเนเอาไม่ได้นะตรงนี้กะไม่ได้จริงๆงั้นคนที่มองเห็นเนี่ยคือพระโสดาบันนะครับคนที่มองเห็นธรรมะท่วาเนี่ยต้องเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นของเราจะนั่งกะวนรพันครั้งก็ไม่ถูก เพราะฉะนั้นกิจของผู้ที่ปฏิบัติในเบื้องต้นคือวิจัยทุกสัตว์กับสมุทัยสัตว์ให้เห็นอย่างตลอดสายอย่างเดียวส่วนนิโรธสัตว์นั้นะนะครับเมื่อเป็นพระโสราบันแล้วจึงจักเห็นเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่นี้เนี่ยนะครับจะคาดคะเนเอาไม่ได้แต่เป็นธรรมะที่ยั่งยืนไม่เกิดนะไม่เกิดพร้อมไม่มีความเศร้าโศกนะครับปราศจากธุลีความดับแห่งทุกขธรรมทั้งหลายคือความที่ สังขารสงบระงรับเนี่ยเป็นสุขนะครับข้อความในอัตถกถาอาชาตสูตรนะครับว่าบทว่าอัตถพิกเวถาาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อว่าได้ยินว่าวันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศโทษในสงสารโดยอเนกปริยายแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมปฏิสังยุต ด, ด้วยพระนิพพาน ด้วยการชี้แจงเป็นต้นนะครับคือละพงค์ก็แสดงทั้งทั้งโทษของสังสารวัฏแล้วก็แสดงพระนิพพานด้วยนะครับพิสูจน์ทั้งหลายก็ได้เกิดปริวิตกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสงสารนี้พร้อมด้วยเหตุด้วยกัาณะทั้งหลายมีวิชาเป็นต้นแต่ไม่ได้ตรัสถึงกัาณะอะไรอะไรแห่งนิพพานอันเข้าไปสงบสงสารนั้นข้อนั้นม่ใช่เหตุย่อมได้โดยทางสัจิ กัตถะปรามาทัศน์หรืออย่างไรนะครับคือมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะเอ๊นิพานไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเลยห ร, ร, รือยังไงอะไรยังไงนะพระภิสุก็ฟังแล้วก็แสดงเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเออนิพานนี่มีอยู่นะโทษในสงสารเนี่ยเป็นอนเนกแต่ไม่ได้อธิบายลักษณะของนิพานเนี่ยนะว่าเอ๊ะเป็นยังไงว่างั้นลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงกําจัดความสงสัยของพิสุเหล่านั้นเพื่อทําลายวาทะอันผิดของสมณพราหมณ์ในโลกนี้ ผู้มีทิฐิมากในภายนอกผู้ปฏิบัติผิดดุจโลกายะติกะเป็นต้นว่าจริงอยู่ประมัติชื่อว่านิพพานย่อมไม่มีเพียงกล่าวว่านิพานนพานนิพพานเท่านั้นคือไม่ใช่มีอยู่แค่คำนะครับนิพพานที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่คานะเพราะมีสภาวะที่ตนยังไม่ได้เพื่อจะแสดงความมีแห่งอมะตะมหานิพพานนั้นโดยประมัติ และเพื่อแสดงถึงความมีอนุภาพมีการออกไปแห่งอมะตะมหานิพพานเป็นต้นจึงได้ทรงภาสิทธสูตรนี้ด้วยอุทานอันเป็นกําลังแห่งปีตินะครับเป็นความจริงพระสูตรนี้สงงคระอเข้าในอุทานด้วยนะครับเป็นทั้งลักษณะของอุทานด้วยเป็นลักษณะของอิติวุตตะด้วยนะครับในสูตรนี่นะพนะลลัทธินิพพานเนี่ยนะครับ ของมันมีทุกยุคทุกสมัยนะครับซึ่งก็จะบัญญัติต่างๆนานากันไปนะครับซึ่งสภาวะแห่งนิพพานเป็นต้นเนี่ยนะครับมีผู้บัญญัติกระบวนท่าวิธีการโดยประการต่างๆเพื่อที่จะเข้าถึงนิพพานอ น, นั้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับมากมายมหาศาลานะฮะแต่อย่าลืมว่าหลักการตรัสรู้นิพพานเนี่ยนะครับมีอยู่3มอย่างเท่านั้นจริงๆ 1. สัมมาสัมพุทธะ 2ปัจเจกับพุทธะสาสาวกกับพุทธะนะครับถ้าหากว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งบัญญัติกระบวนการที่จะให้เห็นนิพพานโดยที่ไม่เป็นไปตามสามอย่างนี้นะนะครับยุคนี้เนี่ยก็แสดงว่าปฏิญาณตนว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนอโดยทั่วๆไปเท่าที่ฟังก็จะปฏิเสธคำสอนในพระสูตรก่อนปฏิเสธคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎกก่อนนะ แล้วก็กล่าวถึงกระบวนบัญญัติที่ตัวเองบัญญัติขึ้นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ต้องกล่าวว่าคนเหล่านั้นถ้าเขาตรัสรู้นิพพานจริงเขาก็ต้องเป็นพระปัจเจกหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ใช่สักอย่างนะครับพอประกาศลัทธิไปนั้นนะครับนั้นลัทธินั้ น, น, นพอระยะยาวแล้วไม่ทนต่อการพิสูจน์นะครับนนะลทัทธินิพพานของแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยนะครับเปน ของเรานี่นะครับพอศึกษาในลักษณะ น, นี้แล้วก็ควรที่จะมั่นคงนะครับอย่างน้อยที่สุดให้เป็นสุตตะพุทธก็ยังดีคือนิพานนั้ น, นการตรัสรู้เนี่ยต้องไม่ลืมว่าตรัสรู้พร้อมกับการแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ประการนะครับตรัสรู้พระนิพานต้องตรัสรู้พร้อมกับการแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ประการทีนี้อริยสัจทั้ง4ี่ประการเนี่ยผู้ที่จะรู้ได้ก็หนึ่งนะครับ สัมมาสัมพุทธปะปเจกพุทธะสาวกพุทธะหรือสุตตพุทธะอันของเราอย่างน้อยที่สุดก็ให้เป็นสุตตพุทธะก่อนนะครับถ้าตรัสรู้ได้ก็จะเป็นสาว ก, กพุทธะเท่านั้นนะครับในยุคนี้ในชาตินี้นะเพราื่อนก็ไม่ควรที่จะหันไปคนควา้าคนคิดเอาวิธีการใหม่ๆนะครับที่ว่าโอ้ลัดสั้นง่ายไม่มีจริงๆนะครับถ้ามีจริงๆแล้วพระองค์คงสอนแล้วนะครับ เอออย่างอื่นไม่ต้องนะพสิสูตรอื่นไม่ต้องหลังนั้นเอาอันนี้อันเดียวอย่างเงี้ยเอาแล้วสูตรอื่นใครตรัสขอพระ อ, องค์ตรัสอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะออไปเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธโดยประการอื่นๆเป็นต้นนะครับในบทเหล่านั้นบทว่าอัฐิได้แก่มีอยู่คือได้โดยประมัดบทแม่ทั้งหมดว่าอาชาตังอาภูตังอากตังอาสังคตังเป็นวัยพจน์ของกันและกันจะจะให้เข้าใจศัพ์ใดศัพบหนึ่งก็ได้นะครับ ในสี่สับเนี่ยนะใช้แทนกันได้เลยอัชชาตังไม่เกิดอัภูตังอัภูตังนี่คออรกันนะครับไม่เป็นนะนะไม่มีหรือไม่เป็นอักตังก็คือไม่ถูกกระทําอสังกตังก็อันปัดใ จ, จเนี่ยนะครับไม่ปรุงแต่งเนี่ยนะสัพทั้งหมดเหล่านี้เป็นไวโพ์ซึ่งกันและกันหรือถ้าจะอธิบายแบบสัมพันธ์กันก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอัชชาตังเพราะไม่เกิดคือไม่บังเกิดโดยความพร้อมเพียงแห่งเหตุกล่าวคือความประชุมแห่งเหตุ ปัจจัยดุดเวทนาเป็นต้นคือนิพพานเนี่ยไม่เหมือนนามธรรมมีภาษาเวทนาเป็นต้นนะครับภาษาเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยปัจจัยประชุมนะภาษาและเวทนาจึงเกิดได้ยกตัวอย่างเช่นเวทนาจะเกิดเกิดได้อาศัยอะไรบ้างครับอาศั ย, าศยภาษาภาษภาษะจะเกิดได้อาศัยการประชุมสมอย่างคือวัตถุอารมณ์วิญ ญ, ญาณ วิญญาณนะครับวัตถุวิญญาณอารมณ์ประชุมกันแล้วนะครับจึงเรียกวาผัสสะนะครับถ้าไม่มีวัตถุอารมณ์และวิญญาณก็ไม่เรียกว่าผัสสะอันนี้พูดในปัญจโวการภูมินะครับเนี่ยนะนิพานไม่ได้ถูกปรุงแบบนี้ขึ้นนะครับไม่ได้ถูกปรุงแบบผัสสะแบบเวทนาแบบนามธรรมทั้งหลายหรือแบบรูปประคันทั้งหลายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอะภูตังเพราะเว้นเหตุแล้วจะไม่เป็นไม่ปรากฏแล้วก็ไม่เกิดเอง คือไม่มีเหตุเหมือนขันทั้งหลายเหล่านั้นเนชื่อว่าอากตังเพราะอันปัจจัยไม่กระทำแล้วด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะไม่เกิดและเพราะไม่เป็นอย่างนี้อันหนึ่งท่านกล่าวว่าอาสังคตังคืออันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วเพื่อแสดงว่าสภาพอันเกิดแล้วเป็นแล้วย่อมมีแก่สังคตะธรรมมีนามรูปเป็นต้นหามีแก่นิพานอันมีสภาพเป็นอสังคตะไม่ ค, คือนิพานนี่ตรงกันข้ามกับสังขตะหมดเลยเชื่อว่าสังขตะหรือสังขตังเนี่ยนะครับเพราะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันหนึ่งชื่อว่าอสังขตังเพราะอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งแล้วและเว้นจากลักษณะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วท่านกล่าวว่าอสัตังอันปัจจัยไม่กระทําแล้วเพื่อแสดงว่าอันปัจจัยอะไรอะไรไม่กระทําแล้วด้วยความสงสัยว่า เมื่อเสร็จสิ้นสภาพแห่งการเกิดด้วยเหตุไม่น้อยอย่างนี้จะพึงมีด้วยเหตุหนึ่งเท่านั้นหรือหนอจึงกล่าวว่าอะภูตังไม่เป็นแล้วเพื่อกลับความสงสัยเท่านั้นว่าธรรมชาตินี้แม้ไม่มีปัจจัยแล้วก็ยังเป็นแล้วปรากฏแล้วหรือหนอท่านจึงกล่าวว่าอะชาตังเพื่อแสดงว่าความที่ธรรมชาตินี้อันปัจจัยไม่ปรุงแต่งไม่กระทําไม่เป็นนี้เพราะ ความเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทราบความที่บทแม้ทั้ง4เหล่านี้มีเนื้อความอย่างนี้ก็อธิบายให้เห็นว่าทั้งไม่มีไม่เกิดไม่เป็นไม่อะไรสักอย่างนะครับอย่างมันตรงกันข้ามกับที่เราคาดคิดดังนั้นปุตุชนทั้งหลายจะกะไม่ถูกนะครับผู้ที่จะเห็นครั้งแรกคือพระโสดาบันเท่านั้นนะครับผู้ที่จะเห็นพันิพานได้นะครับบุคคลอื่นนอกจากพระโสดาบันเป็นต้นจะไม่เห็นอย่างเด็ดขาด นะครับจะไม่เห็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่ต้องไปนั่งกะเกณว่าหน้าอย่างนั้นมัง้งอย่างนี้มัง้งอย่างมากพระองค์ก็แสดงอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับจะไม่อธิบายเป็นแดนเป็นอาณาจักรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เขากล่าวกันเด็ดขาดนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความที่นิพพานมีอยู่โดยประมาทว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยไม่ทําแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วมีอยู่ เพื่อจะแสดงเหตุในธรรมชาตินั้นจึงตรัคคำเมียที่ว่าโนเจตังพิคเวดังนี้ mm hmm. พึงทราบความสังเขตแห่งบทนั้นดังนี้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าหากว่าอาสังคตธ า, าตมีสภาพไม่เกิดเป็นต้นจักไม่ได้มีคำไม่พึงมีการสลัดออกคือการเข้าไปสงบวัตะโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งสังขารกล่าวคือขันธปัญจกมีรูปเป็นต้น อันมีความเกิดเป็นสภาพจะไม่พึงปรากฏคือจะไม่พึงได้ไม่พึงมีในโลกพูดอีกในหนึ่งนะครับถ้าหากว่าสภาวะคือนิพพานอย่างที่กล่าวไม่มีนี่นะครับการสงบสังสารวัตรจักไม่มีเด็ดขาดนะครับคืออย่างอย่างต้องไม่ลืมน่นหนึ่งว่ากรรมในอดีตนี่นะครับเป็นเหตุให้ปัจจุบันนธรรมเนี่ยนะครับปัจจุบันขันเนี่ยเกิดขึ้น อาศัยปัจจุบันทั้งหลายเราเนี่ยทาเหตุใหม่เพื่ออนาคตขันทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับความหมุนเวียนไปแห่งขันก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นี่นะครับถ้าหากว่าสภาวะคือนิพพานไม่มีเนี่ยนะครับการทําที่สุดแห่งขันเหล่านี้จัดมีไม่ได้มันก็จะมีแต่การไปอย่างเนี้นะครับมีแต่คติตลอดเลยไม่มีสิ้นสุดนะครับเป็นแต่ปวัตตะนะเป็นแต่คติเป็นแต่ปวัตนะ ต, ต, เตะตเป็นแต่นิมิตตะเป็นแต่อายุหณะเป็นแต่ สังขตะเป็นต้นน่ยมันก็จะมีแต่ลักษณะนี้มันไม่มีจบมีสิ้นน่ะแต่เนื่องจากสภาวะคือนิพพานเนี่ยมีอยู่การจบสิ้นแห่งสังสารทุกข์อันเนี้ยจึงมีเพราะธรรมะคืออริยมรตมีสัมมาทิฐิเป็นต้นทำนิพพานให้เป็นอารมณ์เป็นไปอยู่ย่อมตัดขาดกิเลสทั้งหลายโดยไม่เหลือด้วยเหตุนั้นความไม่เป็นไปความไปปราด การสลัดออกซึ่งวัตถุทุกแม้ทั้งหมดย่อมปรากฏในนิพพานนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าสภาวะแห่งนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของโคตรภูจิตนะครับชั้นแรกนะโคตรภูจิตมัคคจิตผ ล, ลจิตนะครับและปัจเจเวคขณะยานเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าพูดโดยธรรมดาทั่ ว, วไปนะแต่ก็มีจิตอย่างอื่นเช่นปุเพนิวาสานุสติยานนะครับของออาภาริย์อจจรนิพพาน แต่ถ้าพูดแบบธรรมดาๆรรเราๆเนี่ยนะครับจิตที่จะรู้นิพพานคือมัคคิตผลจิตนะครับโคตรภูญานแล้วก็ปัจเจกขณะยานนะครับมีไม่กี่ชนิดนะครับที่รู้นิพพานเป็นอารมณ์นะครับแต่เทวะโดยเฉพาะพิเศษแล้วนี่นะครับเอามัคคิตเป็นเกณฑ์นะครับถ้าผู้ที่มัคคิตไม่เกิดมาก่อนเนี่ยนะครับจิตดวงหลังๆะจะรู้นิพพานไม่ได้เลยเด็ดขาด อย่างคนอื่นๆนี่นะครับสามารถระลึกชาติได้อย่างฤาษีทั้งหลายระลึกชาติได้แต่ไม่สามารถระลึกถึงนิพพานที่พระอริยะทั้งหลายบรรลุแล้วได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ า, านี่นะครับพระองค์เนี่ยรู้แทงตลอดอริยสัจแทงตลอดนิพพานได้เวลาพระองค์ระลึกชาติทั้งหลายเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยปฏิบัติอย่างไรรู้นิพพานอย่างไรล่ะพระองค์จึงรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยนะครับถึงระลึกชาติได้ยังไง ถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นยังไงก็ไม่รู้อารมณ์คือนิพพานของพระพุทธเจ้าเหล่านั้ น, น, นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติจิตธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับโลกิยชนทั้งหลายระลึกถึงสภาวะของนิพพานไม่ถูกอย่างแน่นอนนะครับว่าเข้าเป็นสภาวะอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าอาศัยคําสอนเท่านั้นนะครับถ้าจะระลึกตามก็โดยที่จําสูตรนี้เป็นต้นแล้วก็ค่อยตรึกตามสูตรนี้เหล่านี้เท่านั้นเองนะครับ แต่อย่าลืมว่าการแทงตลอดนั้นจะต้องตรัสรู้พร้อมกับการแทงตลอดอริยาาสัจ4ี่พร้อมกันนะครับ